คำว่าธรรมะ เ, เป็นธรรมะที่ไม่มีอุปธิ์นี่นะธรรมะที่พระองค์ตัดเนี่ยคือกิเลสขันนะพิสังขาเรเดียวกว่าอุปธิธรรมะเป็นที่ละอุปธิเป็นที่สงบอุปธิเป็นที่สละคืนอุปธิเป็นที่ระ ง, งับอุปธิหมายถึงพระนิพพานเห็นไหมคำสอนที่พระองค์ตัดไว้เนี่นะเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานจริงๆนะนะคำว่าอัตตาแปล ว, ว่าโดยส่วนเดียวไม่มีความสงสยัยไม่มีความ เคลือแคลงไม่มีความไม่เป็นสองแง่เป็นเครื่องกล่าวแน่นอนเป็นเครื่องกล่าวไม่ผิดเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าอัตฐานี้เป็นเครื่องกล่าวแน่แท้คําว่าพระองค์เนี่ยทรงละแล้วคือพระพุทธเจ้าเนี่ยละแล้วซึ่งทุกขาดบันเทาทําให้สิ้นสุดทําให้ไม่มีซึ่งชาติที่ทุกชราทุกปยาทีมรณะโสกะปริเทวะทุกทกโทมนัตและอุปาญาทุกเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละทุกขได้แล้วเป็นแน่ อันนะั้นเยอมรับว่าพระองค์เนรละได้จริงๆ จ, จริงอย่างนั้นธรรมะนั้นอันพระองค์ทรงทราบแล้วความว่าจริงอย่างนั้นธรรมะนั้นอันพระองค์ทรงทราบแล้วคือทรงรู้แจ้งเทียบเคียงพิจารณาทําให้แจ่มแจ้งปรากฏทันสรุปคําชมว่าชมพระพุทธเจ้า ว, ว่าข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์ชอบใจพระดํารัสของพระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ที่ตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมะที่ไม่มีอุปธิ เป็นพระนิพานนะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละทุกขได้แล้วเป็นแน่จริงอย่างนั้นธรรมะนั้นอันพระองค์ทรงทราบแล้วพระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสสอนชนเหล่าใดบ่อยๆก็ชนแม้เหล่านั้นพึงละทุกขได้เป็นแน่ถ้าพระพุทธเจ้าสอนใครบ่อยๆนะบรรลุแน่นะชมก่อนนะถ้าพระพุทธเจ้าสอนนะบรรลุแน่เหมือนกันข้าพระองค์มาพบแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐจกขอนมัสการพระองค์ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเพ่งตรัสสอนข้าพระองค์บ่อยๆจริงๆตัวเองอยากพ้นทุกข์ใช่ไหมถ้าพระองค์สอนบ่อยๆสอนใครบ่อยๆผู้นั้นพ้นทุกข์แน่นี่นะถ้าพระองค์สอนข้าขอให้พระองค์สอนข้าพระองค์บ่อยๆก็คือถ้าพระองค์สอนข้าพระองค์บ่อยๆข้าพระองค์พ้นทุกข์แน่คำว่าทุกข์ก็คือถ้าบอกที่บอกว่าถ้าพระองค์สอนใครบ่อยๆเนี่ยผู้นั้นละทุกข์ได้นะคือสอนกษัตริย์พรามแพทย์สูตรฤหั บรรพชิตเทวดามนุษย์เนี่ยถ้าสอนเขาต้องละชาติชราพยาธิมรณะโสกาปริเทวทุกโธมนัตและอุปาญาตทุกได้แน่เพราะพระองค์เนี่ยเป็นมุนีเ น, เนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นมุนีคือผู้มีโมนยธรรมคําว่าอัตติตังโอวัท ย, ยะความว่าตรัสสอนโดยเอื้อเฟื้อคือตรัสสอนเนืองเนืองตรัสสอนพร่ำสอนบ่อยๆแกรว่าวถ้าพระพุทธเจ้าสอนใครบ่อยๆผู้นั้นละทุกได้แน่ คำว่านมัสสมิเนี่ยนะที่บอกว่าข้าพระองค์มาพบพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐจักขอนามัสการพระองค์ขอนามัสการนะคำว่านมัสการเนี่ยหมายถึงว่าขอสักการะเคารพนับถือบูชาด้วยกายด้วยจิตเนะเยวขอสักการะด้วยกายด้วยจิตเคารพด้วยกายด้วยจิตบูชาด้วยกายด้วยจิตนับถือด้วยกายด้วยจิตด้วยข้อปฏิบัติอันเป็นไปตามประโยชน์คือพระนิพพานหรือด้วยข้อปฏิบัติหรือด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทํา เพราะฉะนั้นจะขอบูชาเทิดทูนน้ำสการด้วยการปฏิบัตินี่แหละละข้าพระองค์มาพบมาพบคือมาประสบมาหามาเฝ้าแล้วขอนมามสการพระองค์เฉพาะพระพักพระองค์นี้ชื่อว่าเป็นนาคเพราะว่าเป็นผู้ไม่มีความชั่วเพราะไม่ทรงทําความชั่วเพราะไม่เสด็จไปสู่ความชั่วไม่เสด็จมาสู่ความชั่วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าเป็นนาคเนี่นะ ถามว่าพระองค์ไม่ทําความชั่วยังไงคือพระองค์เนี่ยไม่ทําอากุศลธรรมอันทําให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกวนกวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะจึงเรียกว่าความชั่วเพราะองค์เนี่ยไม่ทําความชั่วอย่างนี้บุคคลไม่ทําความชั่วน้อยหนึ่งในโลกสลัดแล้วซึ่งกิเลสเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ทั้งปวงซึ่งเครื่องผูกทั้งหลายเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องในที่ทั้งปวงบุคคลนั้นเรียกว่าเป็นนาคผู้คงที่มีจิตอย่างนั้น ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงทําความชั่วอย่างนี้ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เสด็จไปอย่างไรคือไม่เสด็จไปตามกิเลสเช่นไม่เสด็จไปตามด้วยอํานาจฉันทาคติโทสาคติโมหคติพยาคติไม่เสด็จไปด้วยอํานาจราคะโทสะโมหทิฏฐิมานะอุทธจาวิจิกิจฉาอนุใสผ่านพระองค์ไม่เสด็จไม่เสด็จออกไม่ถูกพัดไปไม่ถูกนําไปไม่ถูกเคลื่อนไปด้วยธรรมะอันเป็นพวกคือ อคติสี่แล้วก็กิเลสแปดดังที่กล่าวไปถามว่าพระพุทธเจ้าไม่เสด็จมาอย่างไรคือที่เรียกว่าเป็นนาคเพราะไม่เสด็จมาก็คือไม่กลับมาหากิเลสด้วยอํานาจโสดาปฏิมักไม่กลับมาหากิเลสด้วยอํานาจสกทาคามีมกักอนาคามิมกักและอรหัตตมักคําว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนข้าพระองค์บ่อยๆคือสอนโดยเอือ้อเฟื้อสอนเนืองๆตรัสสอนตรัสสอนบ่อยๆสรุปคาถาว่า พระองค์เป็นมุนีตรัสสอนชนเหล่าใดบ่อยๆก็ชนแม้เหล่านั้นพึงละทุก์ได้เป็นแน่ข้าพระองค์มาพบแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐจักขอนาสการพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงตรัสสอนข้าพระองค์บ่อยๆเนี่ยบุคคลพึงรู้จักผู้ใดว่าเป็นพราม พูดถึงเวทไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่มีความเกี่ยวข้องในการมาพบผู้นั้นข้ามได้แล้วซึ่งโอคะนี้โดยแท้และเป็นผู้ข้ามถึงฝั่งไม่มีเสาเขื่อนไม่มีความสงสัยอันนี้ก็เป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนท่านเมตโคูคําว่าพราหมณ์เนี่ยนะพราหมณ์นั้นเป็นชื่อของพผ้าหันผู้ลอยแล้วซึ่งทำเจ็ประการคือสกายทิฏิวิจิกิจชาศีรพัตตปรามาตราคาโทสะโมหะ เป็นผู้ลอยอกุศลธรรมอันทำให้เศร้ามองให้เกิดในภพใหม่มีความกวนกวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชาราและมรณะต่อไปดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนสพยะพระผู้มีพระภาคเจ้าลอยเสียแล้วซึ่งธรรมะอันลามกทั้งปวงปราศจากมนทินมีจิตตั้งมั่นดีมีจิตคงที่ล่วงแล้วซึ่งสงสารเป็นผู้บริบูรณ์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอันตันหาและทิฐิไม่อาศัย เป็นผู้คงที่บันดิตจึงกล่าวว่าเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยนะเรียกว่าพรามมันนะยานในมัคสีเรียกว่าเวทคำว่าอภิชัญยาคือเพิ่งรู้จักคือรู้ทั่วรู้แจ้งรู้แจ้งเฉพาะแทงตลอดอคำว่าอากินจนังเนี่ยนะคื อ, ค, อคือไม่มีความกังวลนะ่ะปกติถามว่าอะไรเป็นตัวที่ทำให้กังวลก็คือราคาโทสะโมหะมานาทิฐิกิเลตทูจริตเรียกว่า กิเลสเครื่องกังวลถ้ากิเลสเครื่องกังวลนั้นอันผู้ใดละขาดตัดขาดสงบประงับดับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสรยจแล้วด้วยไฟคื อ, อยานพันจึงเรียกว่าผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล <c oughs> คาว่าตินโนข้ามได้แล้วเนี่ยนะคำว่าผู้นั้นข้ามแล้วก็คือข้ามขึ้นข้ามพ้นล่วงพ้นแล้วเป็นไปล่วงแล้วซึ่งกามโมฆะพะโวะท่โขฆะวิโชคะ เรียกว่าข้ามโอฆาสีได้แล้วเนี่ยนะมีความอยู่จบแล้วมีจารณะอันประพฤติแล้วมีทางไกลอันถึงแล้วมีทิศอันถึงแล้วมีที่สุดอันถึงแล้วมีพรหมจรรย์อันรักษาแล้วถึงทิศแล้วซึ่งทิฐิอันอุดมมีมรรคอันเจริญแล้วมีกิเลสอันละแล้วมีอกุปธรรมอันแทงตลอดแล้วมีนิโรธอันทําให้แจ้งแล้วนี่ก็ประกาศถึงคุณธรรมของพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์เนี่ยมีคุณธรรมอย่างนี้ เป็นผู้กําหนดรู้ทุกละสมุทัยจเจริญมักทำนิโรธให้แจ้งแล้วรู้ยิ่งซึ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ล ะ, จะเจริญทำให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งแล้วเป็นผู้มีอวิชาเพียงดังกรอนอันถอดถอนได้แล้วมีชาติสงสารเป็นดังคูกลบแล้วมีตันหาเพียงดังเสาระเนียตอันถอนขึ้นแล้วไม่มีลิมสลักเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นดังฆ่าศึกมีอสมิมานะดังว่าธงล้มไปแล้ว มีภาระอันปรงเรียบร้อยแล้วไม่เกี่ยวข้องละนิวรห้าได้แล้วประกอบด้วยชลังคู่เปกขามีสติเป็นเครื่องรักษาเป็นอย่างเอกมีธรรมะเป็นพี่พึ่งพิงสี่ประการมีทิฏฐิสั จ, จเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างบรรเทาเสียแล้วอันนี้ก็คือเรียกว่าประกาศถึงคุณธรรมของพระอรหันต์เนี่ยนะมีความสแสวงหาอันประเสริฐบริบูรณ์โดยชอบมีความดาริไม่ขุนมัว มีกายสังขารระ ง, งับแล้วด้วยฌานสีมีจิตพ้นวิเศษดีแล้วมีปัญญาพ้นวิเศษดีแล้วเป็นผู้บริบูรณ์อยู่จบพรหมจรรย์แล้วเป็นอุดมบุรุษเป็นบุรุษประเสริฐเป็นผู้ถึงอรหัตผลอันประเสริฐเนี่ยนะตรงนี้ก็ยกคุณธรรมอริยวาสเครื่องอยู่ของพระอ ร, อรหันเนี่ยนะผู้นั้นย่อมไม่ก่อไม่ทําลายทําลายและเสร็จแล้วดํารงอยู่ไม่ต้องละไม่ต้องยึดถือละเสร็จแล้วดํารงอยู่ไม่เย็บไม่ยก ตัดเสร็จแล้วดำรงอยู่ไม่ต้องกําจัดไม่ต้องก่อก่อเสร็จแล้วดํารงอยู่เชื่อว่าดํารงอยู่เพราะดํารงอยู่ด้วยศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศ น, นขันอันเป็นของพระอรหรันยังอริยสัจ ท, ทั้งปวงให้ถึงเฉพาะแล้วล่วงเสียแล้วดํารงอยู่ดับไฟกิเลสแล้วดํารงอยู่ดํารงอยู่ด้วยความเป็นผู้ไม่วนเวียนยึดถือความชนะสําเร็จแล้วดํารงอยู่ ดำรงอยู่ด้วยความส่องเสพปีมุติดำรงอยู่ด้วยหรือดำรงอยู่ในพรหมวิหารสีคือเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาอันบริสุทธิ์ดำรงอยู่ด้วยความบริสุทธิ์อย่างเดียวดำรงอยู่ในความเป็นผู้ไม่มีกรรมมัญญะคือตันหาทิฏฐิมานะดำรงอยู่ด้วยความเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วดำรงอยู่เพราะความเป็นผู้มีจิตสงบ ดำรงอยู่ในที่สุดขันธาตุอายตนะคติอุบัติปฏิสนธิพบสังขารวัตะพบอันมีในที่สุดดำรงอยู่ในอัตภาพอันมีในที่สุดเป็นพาหัน์ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดเนี่ยนะคำที่กล่าวไปเนี่ยเป็นคํายกย่องชมเชยสรรเสริญพาหันทั้งนั้นแล้วก็กล่าวเป็นคาถาประพันธ์ว่าพระขีณาสพนั้นมีพบนี้เป็นข้างหลัง แสดงว่าชาตินี้สุดท้ายแล้วมีอัตภาพและสงสารนี้คือชาติชราและมรณะเป็นครั้งสุดท้ายพบใหม่ไม่มีเรียกว่าสิ้นพบแล้วเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นผู้ข้ามเนี่ยถ้าข้ามได้จริงก็ต้องข้ามด้วยความเป็นภาหันดังที่กล่าวไปอมะตะนิพานความสงบประ ง, งับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความสํารอกตันหาความดับตันหา ความออกจากตันหาเครื่องร้อยรัดนี่เรียกว่าฝั่งฝั่งนี่เป็นชื่อของพระนิพานเนี่ยนะผู้นั้นถึงแล้วซึ่งฝั่งบรรลุแล้วทึงซึ่งฝั่งเนี่ยนะไปสู่ส่วนสุดถึงส่วนสุดไปสู่ที่สุดถึงที่สุดไปสู่ที่สุดรอบถึงส่วนสุดรอบอ น, นะนีก็ไปด้วยมรณะนะถึงถึงด้วยผล คือไปสู่ที่จบถึงที่จบไปสู่ที่ต้านทานถึงที่ต้านทานไปสู่ที่เร้นถึงที่เร้นไปสู่ที่พึ่งถึงที่พึ่งไปสู่ที่ไม่มีภัยถึงที่ไม่มีภัยไปสู่ที่ไม่เคลื่อนถึงที่ไม่เคลื่อนไปสู่อมตะถึงอมตะไปสู่นิพพานถึงนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าผ้รหันนั้นมีพรหมจรรย์อันเป็นเครื่องอยู่จบแล้วมีจารณาประพฤติแล้วไม่มีสงสารคือชาติชรามรณะ ไม่มีพบใหม่ต่อไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ข้ามแล้วถึงฝั่งคําว่าไม่มีเสาเขื่อนเนี่ยนะพระอรหันต์เนี่ยไม่มีเสาเขื่อนก็คือตราคะโทสะโมหะความกโกรธความผูกโกรธจนถึงอากุศลพิสังขารเรียกว่าเสาเขื่อนอกุศลทุกชนิดเรียกว่าเสาเขื่อนเนี่ยนะผู้ใดละเสาเขื่อนเหล่านี้แล้วตัดขาดสงบประงับทําให้ไม่อาจเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นผู้นั้นเรียกว่าผู้ไม่มีเสาเขื่อน คำว่าผู้ไม่มีความสงสัยก็คือไม่สงสัยในธรรม8ประการนะไม่สงสัยในอริยสัจสี่คือไม่สงสัยในทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคไม่สงไม่สงสัยในเบื้องต้นเบื้องปลายหรือว่าทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายไม่สงสัยในปฏิจจสมุปบาทธรรมถ้าผู้ไม่สงสัยคือไม่สงสัยในธรรม8ประการนังที่กล่าวไป ส่วนไอความสงสัยก็คือสงสัยกิริยาที่สงสัยความเป็นผู้สงสัยความคือเลือบแคลงความไม่ตกลงใจความเป็นสองแง่เนี่ยนะความเป็นสองทางความลังเลความไม่ถือเอาโดยส่วนเดียวความระแวงความระแวงรอบความตัดสินไม่ลงความให้ความมีจิตขั้นครั่งความมีจิตสนเทผู้ใดละความสงสัยดังที่กล่าวไปนี้เผาเสร็แล้วด้วยไฟคือยานจึงเรียกว่าผู้ไม่มีความสงสัย สรุปคาถาที่กล่าวไปนี่นะเป็นคาถาที่กล่าวถึงพระอรหันต์ว่าบุคคลพึงรู้จักผู้ใดว่าเป็นพรามผู้ถึงเวทไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่เกี่ยวข้องในการมาพบผู้นั้นได้ข้ามแล้วซึ่งโอฆานี้โดยแท้เป็นผู้ข้ามถึงฝั่งไม่มีเสาเขื่อนไม่มีความสงสัย นรชนใดในศาสนานี้มีความรู้เป็นเวทคูสลัดแล้วซึ่งบาปประมเป็นเครื่องข้องนี้ในพบน้อยและพบใหญ่นรชนนั้นเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังเรากล่าวว่านรชนนั้นได้ข้ามแล้วซึ่งชาติและชราเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคายกย่องพระทหารอีกนั่นแหละว่าพระทหารเนี่ย เป็นผู้มีวิชามีญานมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทำลายกิเลสโดยเฉพาะปัญญาในมัคคีเรียกว่าเวทที่บอกว่าสลัดแล้วซึ่งบาปประธรรมเป็นเครื่องคล่องในภพน้อยภพใหญ่พระอาหารย์เนี่ยตัดบาปกิเลสในภพน้อยภพใหญ่คําว่าภพน้อยภพใหญ่นี้ก็เป็นชื่อของกรรมวัตกับวิปากวัตรตัมมวัตวิปากวัตรก็แบ่งเป็นนะนะแบ่งตามกาม กามภพรูปภพอรูปภพนะก็คือกรรมวัดในปุณภพเนะคือวิปากวัดนั่นแหละกามภพคือการมธาตรูปประธาตรูปประธาตเนี่ยนะพระทหารเนี่ยท่านละบาปเครื่องข้องในภพน้อยภพใหญ่ไม่ว่าจะพบบ่อยๆคติบ่อยๆอุบัติบ่อยๆปฏิสนธิบ่อยๆความเกิดแห่งอัตภาพบ่อยๆมาประธำเป็นเครื่องข้องเนี่ยนะ ถามท่านละได้แล้วนะเครื่องคล่องก็เจ็ดอย่างค่องด้วยราคา่าโทสะโมหะมานะทิฐิกิเลสทุจริตเรียกว่าเครื่องคล่องคําว่าสละแล้วก็คือสลัดแล้วซึ่งเครื่องคองอีกอย่างหนึ่งเปื้อนปล่อยธรรมะเป็นเครื่องคล่องเครื่องทําลายเครื่องผูกเนี่ยนะก็เรียกว่าสลัดเครื่องคองในภพน้อยภพใหญ่คําว่าสละก็คือสละตัณหาคือเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานนรชนนั้นตรัสว่าเป็นผู้ปราศจากสละ ขายปล่อยละสละคืนตันหาปราศจากสละละขายราคะสละคืนราคะเป็นผู้ไม่หิวเป็นผู้ดับเยือกเย็นแล้วสวรสุขด้วยตนอันประเสริฐฉะนั้นนรชนนั้นเรียกว่าผู้ปราศจากตันหาผู้ไม่มีทุกข์ก็คือทุกข์เนี่ยเป็นชื่อของกิเลสนะ น, นะมันผู้ที่ไม่มีกิเลสเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีทุกข์ผู้ไม่มีหวังก็คือไม่มีตันหาที่เปรียบเหมือนความหวังนั่นนะ อันสรุปคาถาที่กล่าวไปแล้วว่านรชนใดในาศาสนานี้มีความรู้เป็นเวทคูสลัดแล้วซึ่งบาปประธรรมเป็นเครื่องข้องในพบน้อยพบใหญ่นรชนนั้นเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังเรากล่าวว่านรชนนั้นน่ะได้ข้ามแล้วซึ่งชาติและชราอันทพรหันก็เป็นผู้ที่ข้ามทุกข์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะเวลาจบคาถา ก็เทวดาและมนุษย์ก็บรรลุมรคผลมากมายส่วนท่านพระเมตกูกับลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะก็บรรลุเป็นพระอรหันด้วยประการชนนี้แล αι.